โอ้หเจ้าจึงโชคดีจริงๆกามนิตใช่ข้าก็อิจฉาเจ้าอ้าวสายหัาทั้งสองเจ้าสองคนก็เดินทางไปเที่ยวกรุงโกสัมีพร้อมกันกันกบข้าสิคงเป็นไปไม่ได้แล้วกาบมนิทหนทางยาวไกลเต็มไปด้วยอันตรายพ่อแม่ของข้าไม่ยินยอมให้ไปแน่ถูกแล้วล่ะและอีกอย่างเรื่องการเรียนของเราทั้งสองคนก็ยังไม่สําเร็จไปถึงไหน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 มีแต่เจ้าสองคนนั่นแหละที่พยายามจะยุยงค่าเลือกสาวคนนั้นคนนี้ก็สาวๆกูงมดเชนนีแล้วเนี่ยต่างลุมล้อมกันแต่เพียงเจ้าคนเดียวจนไม่เหลียวแลชายใดกันเลยนี่นะถ้าเช่นนั้นเราก็จะได้เป่าประกาศซะเลยว่าการมณิษ์หนุ่มได้ไปหาคนรักที่กุงโกสัมพีเสร็จแล้วและอาจจะแต่งงานอยู่กินกันที่นั่นเลยคลาเนละ่ะ สาวงามทั้งหลายจะได้หันมาสนใจเราสองคนกันบ้างว่าแต่เจ้าจะทำเช่นนั้นเชียวนะกามนิพเ์พราะหาาเป็นเช่นนั้นล่ะก็สาวสาวกรุงอุจเชนีคงพาการร่าให้น้ำตาทั่วเมืองเป็นแน่แท้กามนิตพ์ได้รีบกลับมาหาบิดาของเขาที่คฤหาสบิดาของเขาได้เรียกกามนิตพ์เข้ามาสวมกอดด้วยความรัก และเริ่มต้นสอนสั่งบุตรชายผู้เป็นดวงใจด้วยพระนี้เป็นครั้งแรกที่บุตรชายจะต้องห่างจากบ้านห่างจากอ้อมอกของผู้เป็นบิดาก็มณิลูกพักพบรื่นใจในตัวเจ้านักที่เจ้าได้มีความขยันหมั่นเพียรและเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพ่อและแม่ดีดเสมอมาอันการศึกษาของเจ้านั้น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 เป็นวันนะแพทย์ที่ทำการค้าสืบต่อกันมายาวนา น, บ, นบรรพระบุษของตระกูลเราตามได้สร้างสมบุญบารมีไว้มากจนทำให้ เ, เรามีวันนี้เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาจากทุกชนชั้นวันนะนี่พ่อก็เพิ่งกลับมาจากการเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงเตรียมทรงคณะราชทูตไปเจริญไมตรีครับพระเจ้าอุเทน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 ใช่ขอรับท่านราชทูตข้ากามณิทขอกราบคารวะท่านข้าเองก็ต้องขอขอพักคุณท่านราชทูตอีกครั้งและขอฝากลูกชายของข้าแก่ท่านด้วยโปรดสอนสั่งและแนะนําเขาให้ได้วิชาวความรู้ดีๆจากท่านไว้เทิดไม่ต้องเป็นห่วงเขอรอกท่านเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลข้ารับปากท่านว่าจะดูแลเขาให้ท่านเป็นอย่างดี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 ถ้าเจ้าคิดว่าข้านี้มีอะไรที่พอจะสอนเจ้าได้ละก็ข้าก็ยินดีเออหนิเนี่ยกรมนิตเราจะต้องเดินทางกันนานนับเดือนข้าไม่เห็นสาวคนรักของเจ้ามาท่งเจ้าเลยละ่ะกรรมนิตข้า ย, ยังไม่มีคนที่รักใครหรอกขอรับท่านราชทูตชายหนุ่มรูปงามที่เพียบพร้อมเช่นเจ้าแต่กรับยังไม่มีคนรักนี่ไม่กล้าว่ากรุงอูเชนีของเราไม่มีสาวงามที่ต้องใจ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 ขอท่านจงประสบแท่โชคดีและสําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งเถิดขอรับท่านราชทูตและเจ้าด้วยนักกามนิตลูกพระของพ่อเจ้าจงรักษาตัวให้ดีนั ก, กามนิตลูกของแม่ขอเถเพ ย, ยดาเมืองบุญได้โปรดคอยปกปักรักษาคุ้มครองลูกชายของข้าให้ปลอดภัยด้วยเถิดลูกขอกราบลา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 ได้ไหลามาลวมกันที่กรุงโกสัมพีแห่งนี้ในยามค่ำคืนนะเจ้าจะได้เห็นทางถางเผื่อพาดผ่านท้องฟ้าหมาบรรจบ ก, กับแม่น้ำทั้งสองสายนี้กลายเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบ ก, กันจึงเรียกตำบล น, นี้ว่าจุราตีคูณอย่างไรเล่าคามานิต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 ไหกันได้พวกเราแัดรูปขบวนเข้าสู่กรุงโกสัมพีกันเถิดเมื่อคณะราชทูตเข้าสู่กรุงโกสัมพีแล้วท่านราชทูตก็เข้าเฝ้าพระราชาและปฏิบัติภา ร, รกิจอื่นๆส่วนกามณิทก็ไปพบกับประนาตผู้เป็นเพื่อนของบิดาและได้เข้าพำนักอยู่ณที่คฤหาสน์ของประนาตนั้น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 เราไปหาเนื้อคู่ของท่านกันกล่าวมณิษหนุน่มแห่งกรุงอุดเช น, นีจะมีเนื้อคู่อยู่ที่กรุงโกสัมพีหรือนี่โอ้ผู้คนช่างมากมาจริงๆนะสมะทัศน์สมก็เป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ก็แน่ละสินี่ไม่ได้มีเฉพาะแต่ชาวกรุงโกสัมพีหรอกนะชาวเมืองข้างเคียงก็มาร่วมชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้กัน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 สายตาของสาวงามผู้ดอกคลีนางนั้นก็สบประสานกับสายตาของกามณิทที่จับจ้องอยู่นี่เกิดสิ่งใดขึ้นกับใจเราด้วยนะีเพียงแค่สบตาตบใจของนใดหใจของเราก็แทบจะอยู่เต้นได้ทันที่สายตาของทั้งสองได้สบประสานกันอนุภาคของความรักก็ได้ก่อตัวขึ้นทันที โดยที่ทั้งสองไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งกรรมนิดวาสิทธิต่างตกอยู่ในภวาวังรักทันใดนั้นลูกคลีลูกหนึ่งก็มีอันพัดหล่นจากมือของวาสิทธิและกระดอนออกมานอกเวที ชายหนุ่มหลายคนต่างกรูกันเข้าแย่งลูกครีกาเมเนตปราดเข้าไปในเวลาเดียวกันกับบุรุษผู้สง่าด้วยอาภรณ์คนหนึ่งใช้หนุ่มทั้งสองประท่ากันและแย่งกันเข้าหาลูกครีทองออไปทางนี้ได้แน่เจ้ า, จาหนุ่มคนนี้เป็นใครกันบางอาวุธเบียดขวางหน้าข้าได้ข้าม่วันยอมให้เจ้าเสือเรามาที่ การมนิดอาศัยทักษะมวยปล้ำที่เหนือกว่าจึงขึ้นหน้าไปได้ชายหนุ่มผู้นั้นจะรั้งขอกรรมนิดไว้แต่ก็พลาดว้าได้เพียงสร้อยแก้วตาเสือซึ่งเป็นเครื่องรางประจำตัวของกรรมนิดขาติดมือไปและทำให้ตัวเองต้องเสียหลักล้มลงเฮ้ยเจ้าจะไปไหนอยแย่แล้ฮึฮ่าฮได้แล้ว ชายหนุ่มผู้แย่งลูกครีกับกามนิตลุกขึ้นด้วยความอายและโกรธกว้างสร้อยแก้วตาเสือกลับมาให้กามนิตก่อนจะพาออกไปอย่างเครียดแค้นจะมองไว้นะเจ้าไปพวกเราครับหนีทางหนีทางกามนิตไม่ได้ใส่ใจกับท่าทางที่แสดงออกของชายผู้นั้นเขสญญาสนใจเพียงสาวงามที่เขาหมายปองบนเวทีเท่านั้น เมื่อเห็นเธอมองมาด้วยสายตาที่ชื่นชมกามณิตย์ก็บรรจงโยนลูกคลีทองให้กระดอนพื้นเวทีกลับไปเข้ามือของสาวน้อยซึ่งนางก็รับไว้ได้พอดีได้ลเล่นลูกคลีต่อได้อย่างสวยงามทำกลางเสียงชื่นชมจากคนดูสาวน้อยวาสตีหันมายิ้มตอบเป็นไมตรีให้แก่กามบัดดีดอกไม้แห่งความรัก ดอก บ, บานเต็มหัวใจของกัรมนิ์หนุ่มเสียแล้วกมมนิดกัมมนิดอ้าวสมทัศนี่ท่านไปอยู่ที่ไหนมาตามท่านมาตลอดนั่นแหละแต่ใครจะคล่องแคล่วรวดเร็วเทียมท่านได้แม้แต่สาตะเคียนซึ่งล่ำลือกันว่าเป็นเลิศในกรุงโกสัมพีแล้วอีงสู้ท่านไม่ได้ใครรึคือสาตะเคียนเาออกไปจากตรงนี้ก่อนเถิดุกนเบียดเสียดกันแน่ เดี่ยวการเล่นครีก็จะจบลงแล้วผู้คนเหยียบเราทังสองคนตายซะก่อนกามมิทธิ์มิอาจขัดใจสหายใหม่ได้โดยก่อนออกมาก็มองจดจําใบหน้าของสาวน้อยผู้นั้นไว้อีกครั้งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่การเล่นครีได้จบลงสาวน้อยไหวจิตทีหันมามองการมิทธิ์เพียงครู่ก่อนที่จะเดินลงเวทีไปด้านท่างพร้อมกับสาวนางคนหนึ่ง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 กามนเนตก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ได้บอกสมทั์ผู้สหายเขาเฝ้าทวิญหาแต่สาวน้อยผู้ดอกคลีทั้งแวะเวียนไปลาดเลาที่อุทยานและสถานที่อื่นอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ต้องผิดหวังไม่ได้พบเห็นนางอีกเลยกาเมเนตมันนั่งอยู่ที่นี่เองไป ไปเที่ยวเล่นชมบอนกลุงโกสัมพีกันมีทั้งสกาตีนกโอยสารพัดให้เลือกเล่นในตามที่ท่านถนัดเลยละ่ะไม่ละ่ะสมทัตข้านั้นไม่ถนัดในการเล่นต่างๆดังกล่าวเลยเฉินท่านตามสบายเถอดนี่ท่านไม่ชอบการพนันหรอกหรือกรมมันต์บอกกับท่านตามตรงว่าสมทัตสหายข้าข้านั้นไม่ค่อยจะนิยมชมชอบการพนันนะด้วยพอเห็นบ้รนปลายของผู้ที่เล่นการพนันมานักต่อ น, นักหัวล้วนมีชีวิตที่นาเศร้าใจมาก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 ปัต tn ี้ข้ารู้ชัดเกี่ยวัวใจของข้าแล้วหัวใจของกามณิหนุม่มรุ่มร้อนเป็นยิ่งนักเฉดเช่นเดียวกับหัวใจของสาวน้อยผู้ดอกครีผู้นัน้นชายผู้เก่งกล้าของข้าท่านเป็นใครกันนะท่านเข้ามาให้ข้าได้พบ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 การมนิต์ยังไม่อาจคลายความร้อนรุ่มที่คิดถึงสาวน้อยที่ตนหลงรักลงไปได้ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งกระสับกระสายว้าวุ่นหัวใจสุดท้ายจึงหยิบผู้กันและสีมาบรรจงวาดรูปของนางผู้เป็นทีร่รักไว้เฉยชมเพื่อให้คลายความคิดถึงถ้าสามารถจดจำได้อย่างติดตาตรึงใจ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 การมนิษ์หนุ่มแห่งกรุงอุเชเญนีก็ไม่เป็นอันกินอันนอนโดยเพราะว่าทำหัวใจหล่นหายอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี่เอง <laughs> ท่านจะล้อข้าอย่างไงก็เชิญตามสบายเถิดข้ายอมสิน้นขอเพียงท่านช่วยข้าติดตามหานางจะได้ไหมสมทัตท่านเป็นสหายข้านะการมนิษฐ์ข้ายอมช่วยท่านในทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ข้าเนี่ยน้อยใจในตัวท่านนักมีทุกใดในใจ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 ของกุงโกสัมพีเหล่านี้แล้วนี่จะมีงานพิธีใดอีกบ้างไหมโสมทัศน์อีกนานหลายเดือนทีเดียวสายข่าแต่อย่าพึ่งเศร้าใจไปสิกรรมนิตข้าสามารถช่วยสายรักของข้าได้จริงจริงหรือโสมทัศน์ท่านช่วยข้าได้จริงจริงหรือโอ้แล้วนี่ข้าต้องทําอย่างไรบ้างท่านไม่ต้องทํำอะไรแล้วกรรมนิตนอนคอยฟังข่าวจากข้าอยู่ที่นี่แหละ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 ท่านชิงแกล้งปิดข้าไว้ตั้งเป็นนานนะสมนทัก็ท่านยังปิดข้าเรื่องหลงรักวาส ถ, ถิได้นี่นะรู้เช่นนี้ข้าปล่อยให้ท่านนั่งเพ้อนอนเพ้อเฝ้าลำพันธ์กอดรูปวาสถิไปจนผอมตายก็ดีหรอกจะเย็นเย็นเถิดกรมนิษเดี๋ยวข้าจะรีบไปหาเมทินีขอให้นางช่วยเป็นสื่อให้กับท่านเองถ้าเช่นนั้นข้าขอฝากรูปนี้ให้เมทินี ช่วยนำสง่งให้กวาสิทธิด้วยแต่สักเดียวนะข้าขอเขียนบทกบวีใส่ลงไปก่อนอันข้านี้มีนามกามนิศผู้เฝ้าคิดครวญคร่ำร่ำร้องหาเพียงแต่เจ้าวาสิทธิยอดชีวาแค่พบหน้า แรกเห็นเป็นต้องมนพรมลิขิตให้เจ้าอยู่เป็นคู่ข้าหรือเพียงมายวนตาผ้าเชงนโปรดเถิดว่าสิถีเผยกระมนให้ข้ายน์ใจนามเป็นอย่างไร สารรักของท่านไปส่งท่านอย่าเพึ่งด่วนคลั่งรักจนเป็นบ้าไปเสียก่อนละ่ะสหายข้า่าฮอ๋อแล้วระหว่างที่รอฟังข่าวจากข้าเนี้ขอได้โปรดพ่อนักรักรับประทานอาหารและนอนพักผ่อนสะบ้างนะสภาพของท่านนั้นแลดูโทรมเต็มทีขืนปล่อยตัวเช่นนี้วาสิทธิคงรับรักของท่านไม่ลงแน่แน่ฮ่ฮ่าฮับไปละ กมนิร์สุดแสนตื่นเต้นและดีใจที่มีสื่อรักช่วยเหลือเขาหวังใจยิ่งนักว่าจะได้พบวาสิตรีในไม่ชานี้เมื่ออารมณ์ของชายหนุ่มกลับมาสดชื่นเบิกบานเขาก็รับประทานอาหารได้อย่างอริสอร่อยอีกครั้งและนอนเล่นหลอฟังข่าวด้วยหัวใจที่จดจอ่อแต่เบิกบานใจยิ่งกระทั่งสมุทัศน์กลับเข้ามา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 ท่านยังส่งนางที่งามพร้อมส่งเป็นเนื้อคู่มาให้ข้าแท้ๆไหนๆนางตอบข้าว่าชินไรโอ้บุรุษอันมีนามกามมนิต์ใจเจ้าคิดแน่แท้แล้วละหรือหญิงงามพร้อมรูปประพันธ์อันเลื่องลือยังมีชื่อร้อยพัน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 โค oh, วาสิตีาใายเจ้าไม่บอกความในใจใดๆให้ข้าได้รู้บ้างเลยอ้าวนี่วาสิตีตอบเจ้ามาเช่นนี้หรอกหรือแต่เจ้าอย่าเพิ่งเศร้าใจไปเลยกรรมนิดวาสิติได้ตอบฝากเมทินีฝากให้ข้านำมาบอกเจ้าอีกทีหนึ่งว่าจ <c oughs> งฟังให้ดีนะกรรมนิดวาสิตี่ะ ได้ฝากวาจานัดท่านให้ไปพบที่ลานนอกประสาทในคืนวันรุ่งนี้โอ้ฮ่าฮโอ้สวรรค์โปรดข้าแล้วโอ้โอ้ความรักของข้าสงวงแล้วสงมทัศน์ฮ่าฮท่านคือสหายรักของข้าฮ่าฮาายินดีด้วยกรมมณิสสายข้ายินดีด้วยฮหาา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 เธอก็ยิ่งตื่นเต้นระคัเขินอายจนต้องหันหน้าหลบไปอีกทางหนึ่งที่ข้าเชิญท่านมาพบในวันนี้ก็เพื่อจะกล่าวขอบคุณท่านที่ช่วยโยนลูกคลีกลับมาให้ข้าในงานพิธีวันนั้นซึ่งหากท่านไม่โยนลูกคลีกลับมาให้ข้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการเล่นคลีถวายพระลักษมีเทวีของข้า ก็คงต้องมีอันหยุดลงกลางครันซึ่งทั้งจะไม่ได้บุญกุศลแล้วยังอาจจะถูกพระรักษมีเทวีทรงพิโรธสาบให้ข้าหาความสุขไม่ได้อีกเลยในชีวิตนี้ก็เป็นได้ข้าไม่ได้วยช่วยเจ้าหรอกวาสถีข้าเพียงใช้โทษของข้าที่มีต่อเจ้าตั้งหากกามนิทท่านได้ทำผิดต่อข้าแต่เมื่อใดกันก็ผิดที่ข้านั้น ได้ไปศบสายตาต่อเจ้าจนทําให้เจ้านั้นเดาะลูกคลีผิดพลาดจนลูกครีหล่นลงมาอย่างไรเล่าวาสิทถีหากไม่มีข้ามายืนมองเจ้าฉะไหนเลยผู้ที่เล่นครีได้อย่างชํานาญเช่นเจ้าจะผิดพลาดได้ง่ายๆขะเองที่ทําผิดต่อเจ้าวาสิทถีมีสีหน้าแดงเขินอายจนทําท่าจะลุกขึ้นหนีแต่กรรมนิษฐได้รั้งมือของวาสิทถีไว้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 ขอให้ข้าได้รักเจ้าเถิดวาสิธีกามนิข้าข้าก็รักท่านข้าก็หลงรักท่านตั้แต่วันนั้นเช่นกันวาสิถีโอวาสิธีของข้าวาสิธีสะอื้นให้ด้วยความปลื้มปีติและซาบซึ้งเป็นยิ่งนักโผเข้าซบแนบกับอกของกา ม, มนิททั้งสอง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 คจะไม่จากเจ้าไปไหนแล้วโอ้กามนิติท่านพูดจริงๆหรือกามนิติท่านสัญญากับข้านะโอ้ข้าดีใจเหลือเกินแล้วที่รักของข้าวาสิทธิยินดีเป็นที่สุดนางก้มลงโอบกอดและจุมพิษกามนิติด้วยความรักและความดีใจทั้งสองหัวเราะต่อกันอย่างมีความสุขที่ลานอโศกในค่าคืนนั้น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 เดี๋ยวจะผ่านไม่ได้มากันสักคืนไปก่อนแล้วนะเมธินียอดรักไปก่อนแล้วนะวาสิทธิกรมนิธและโสมทัศน์เมื่อกลับมาถึงบ้านในตอนใกล้สว่างก็เห็นข้าวของนละกองเกวียนจัดเตรียมอยู่เต็มลานหน้าบ้านกรมนิธจึงรีบเรียกบ่าวผู้เป็นหัวหน้าคุมกองเกวียนออกมาสั่งความนี่เจ้าเดี๋ยวพอฟ้าเริ่มสว่างแล้ว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 คณะของท่านราชทูตได้เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแล้วกามณิตให้รู้สึกผิดและนึกเสียใจในการกระทําของตนแต่ด้วยอารมณ์รักที่มีต่อวาสิทธินั้นรุนแรงนะักเพียงครู่เดียวในใจของกามณิตนั้นกมน็มีเพียงเรื่องของวาสิทธิเท่านั้นกามณิตและโสมทัตได้ออกไปพบวาสิทธิและเมธินีทุกค่ําคืน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 ค้า น, นี้มีความสุขยิ่งนักวาสิทธิทั้งสองยืนกอดกันชมความงามของจุราตรีคุณอย่างมีความสุขท่านนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นพระนนท์แห่งครั้งมหาภารตะยุทธก็เป็นได้นักการนิธิและข้าก็อาจเป็นนางทอมยันตีคนรักของพระนนท์วาสิทธีเจ้าระลึกได้จริงๆริงลุนี่ยังหรอกกามณิธ ถ้านั้นยัระลึกถึงอดีตชาติที่ร่วมมาแล้วไม่ได้หรอกข้าเพียงเชื่อว่าท่านและข้านั้นอาจจะคือพระนนและนางธอมยันตีน่ะซึ่งหากจะรู้ได้จริงๆแล้วเราจะต้องได้สูตรกลิ่นอันหอมของดอกประวารพฤกในแดนสวรรค์เสีย ก, ก่อนดอกประวารพฤกดอกมาเห็งพระกฤษณะหรือดอกปริชาตใช่ไหมถูกแล้วกามนิตแต่ตอนเนี้ย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 กำลังเพียนถามข่าวคราวของท่านจากต้นอโศกแห่งนี้ด้วยความรักและคิดถึงท่านดังที่นางทงยันตีได้เพียนตามหาพระนนท์และเฝ้าถามต้นอโศกกลางป่าถึงพระนนทผู้เป็นที่รักยิ่งของนางทันใดนั้นดอกอโศกสีแดงดอกหนึ่งก็ได้หล่นลงมาตกลงถูกแก้มของทั้งสอง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 ความรักที่บริสุทธินั้นควรเป็นความรักที่เสียสละยอมขมขืนเพื่อผู้ที่เรารักดังสีนินหาใช่สีสันใดๆอันเป็นความบันเทิงสุขไหมแม่หญิงงามนักปราดแห่งตระกูลนายช่างทองอบรมสั่งสอนข้าอีกแล้วเมธินีนับว่าเป็นโชค อ, อันดียิ่งของท่านแ ล, ล้วล่ะสมทั์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 ดังนั้นในคืนมืดคืนหนึ่งสาตาเขียนจึงได้วางแผนส่งคนนับสิบมาดักประทุษสลายต่อกามานิตในขณะที่กำลังปีนหน้าผาไปหาวาสิถีคนรักข้าลอยากรู้จริงๆว่าคืนเนี้ยสาวน้อยวาสถิถีจะแต่งกายด้วยชุดสีอะไรมันรอต้อนรับกามนิตอยู่ข้างบนนี้นะ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 อยู่นี่สมทุทช์เรีวถอยมาอยู่ข้างๆข้ า, ขาเอาหลังพิงผาหินสู้กับพวกมันว้าเข้ามาเลยผูกล็อกกัดยิงสนัทระวังสมุทั์นี่เนี่ยเอาอยัางไงดีกันนิดพวกมันท้าว่าจะมากันมากใจเย็นๆไว้ข้าว่าข้าเก็บพวกมันไปได้สองคนแล้วล่ะคงนอนอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละตอนนี้พวกมันคงบุกเข้ามาได้ไม่ถนัดนะัก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 การมณิทพุ่งท่อนไม้ไผ่ไปถูกยังคนที่จุดตะเกียงได้อย่างแม่นยำทำให้ตะเกียงตกลงพื้นและดับลงสนิทความมืดมิดจึงปกคลุมอีกครั้งไปเร็วสมมทัศน์ตามข้ามาทางนี้เร็วการมณิทได้อาศัยจังหวะที่เราคนร้ายกำลังพากันตกตะลึงพาสมทัศน์วิ่งย้อนหนีออกไปอีกทางหนึ่งด้านที่คนจุดตะเกียงถูกเขาพุ่งไม้ไผ่เสียบตาย ซึ่งแสงที่เกิดว่าพึ้นเพียงนิดเดียวนั้นช่วยให้การมนิทมองเห็นทิศทางของช่องผาจนพอจดจำทางได้ท่ากลางความมืดมิดนั้นการมณิทและโสมทัดอาศัยความที่คุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดีผากรันไตลงจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีพวกคนร้ายติดตามมาอีกจนกระทั่งลงมาอย่างบริเวณพื้นรากที่ปลอดภัย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 วาสิถีและเมธินีคงนั่งรอเรากันอย่างกังวลใจโท่วาสิถีรุ่งเช้าสมมทั์ก็รีบออกไปแจ้งข่าวแก่เมธินีในขณะที่การรมนิทนั้นต้องนอนสมด้วยพิษไข้และบาดแผลอยู่ที่บ้านเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรถึงว่าสิเมื่อคืนข้ากับวาสิถีนั่งคอยท่านทั้งสองอยู่จนค่ำดึก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 กำมณิทฟกช้ำแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะขับไปก่อนละเมธีนีเมื่อไปถึงที่ปร า, าสาทของวาสิทธีก็พบว่าวาสิทธีนั้นนอนป่วยอยู่จึงไม่รีบปลุกและบอกนางตราบจนบ่ายคล้อยวาสิทธีจึงได้ตื่นขึ้นและเมื่อได้ฟังข่าวของคนรักนางก็ร่ำให้ด้วยความห่วงใหญ่ กามณิทนี่ท่านต้องมาเสียงชีวิตก็เพราะข้าแท้ๆตื่นแล้วหรือวาสิถีเป็นอย่างไรบ้างลูกรักอาการเจ้าดีหรือยังอ้าวนี่เจ้าร้องไห้หรือนี่เปล่าคะ่ะท่านพ่อลูกเพียงฝันร้ายนะ่ะตอนนี้ลูกหายดีแล้วนี่เป็นข่าวที่น่า ย, ยินดีนะักลูกรู้ไหม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 ก็เริ่มนัดพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องนัดพบกันตอนกลางวันกลางที่จุมชนและไม่อาจพูดจากันได้อย่างเปิดเผยนับทูตการมณิษย์ของข้าท่านแลดูซุกโสมเหลือเกินนี่เป็นเพราะข้าแท้ๆเชียวที่เหนี่ยวรังท่านไว้จนต้องประสบกับอันตรายจากพวกของสาตาเคียน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 โทวาสิทธิการมนิต์ให้แสนอึดอัดใจยิ่งนักเขาอยากจะเข้าไปโอบกอดปลอบโยนวาสิทธิแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ด้วยมีสายตาผู้คนนับร้อยคอยจับจ้องมองอยู่ทันใดนั้นวาสิทธิก็เหลือบสายตาไปเห็นพวกของสาตะเคียนเดินมุ่งมาแต่ไกล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 ข้าใคร่ขอร้องต่อท่านท่านจงเดินทางกลับกรุงอุเชเญนีก่อนเถิดนะอย่าปล่อยให้ข้าต้องทนทุกข์ใจเช่นนี้เลยทว่าสทีก็ได้ข้าจะทําเพื่อเจ้าแต่ก่อนที่ข้าจะต้องจากเจ้ากลับกรุงอุเชเญนีขอให้เราสองคน ได้มีโอกาสพบกันตามลำพังเพื่อร่ำลากันอีกสักครั้งก่อนเธอแล้วข้าจะคิดหาหนทางอีกทีตอนนี้เราแยกกันก่อนธนาที่รักพวกมันเข้ามาใกล้แล้วอีกสามวันต่อมากามนิตก็ได้คุมกองเกวียนออกจากกรุงโกสัมพีตั้งแต่ยามบ่ายขณะที่ผู้คนกำลังพลุกพล่าน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 นางได้ขอบิดาไปพบหญิงชราที่เทวัยร้างนอกเมืองโดยไปกับเมธินีและพวกบ่าวอีกหลายสิบคนบิดาของนางไม่มีสิ่งใดสงสัยจึงอนุญาตแต่โดยดีการมนิ์ควบม้ามาถึงบริเวณป่าปดูรายในตอนค่ำเขาได้พบพวกบ่าวของสมทั์และวาสิทธีกระจายกันอยู่รอบๆ บ, บริเวณเทวยัย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 ข้าจะนั่งนับวันรอท่านและข้าก็ขอให้สัญญาว่าข้าจะรักท่านเพียงคนเดียวข้าก็จะรักเจ้าเพียงคนเดียววาสิธีทั้งสองนั่งลงประคองกอดกันและจุมพิษกันด้วยความปราบรึ่มจนน้ำตาไหลนองแก้มทั้งสองคนเราจะซื่อสัตย์และมั่นคงต่อกันนักกามนิษย์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 ด้วยความสุขใจเป็นยิ่งนกะไม่ช้าเมธินีและสมทั์ก็ออกมาจากเทวลัยพร้อมกับหญิงชราซึ่งนางได้มองแล้วก็ทักพร้อมอาสาจะทำนายความเป็นไปในภายหน้าให้กับกามณิทและวาสิถีแต่วาสิถีปฏิเสธไปว่านางและกามนิทเป็นเพียงผู้ติดตามของเมธินีเท่านั้น หญิงชาราจึงกลับเข้าไปข้า ข, ข้าหวันว่นมตกว่านางจะทำนายแต่เรื่องร้ายข้าคงจะทนรับฟังไม่ไหวเป็นแน่กามณิข้าจชกลัวว่านี่จะเป็นลางร้ายบอกเหตุว่าเรานั้นจะไม่ได้พบกันอีก มันไม่เป็นเช่นนั้นรอกว่าสิรฐีเราต้องได้พบกันอีกเราต้องได้อยู่ร่วมกันกามนิตหากเราไม่ได้พบกันอีกในชีวิตนี้เราก็จะยังคงซื่อสัตย์ต่อกันนะและเมื่อชีวิตอันสั้นและหลั่นทดนี้สิ้นลงเราก็จะไปเสาะหากันในสวงสวรรค์และอยู่ครองที่พยสุคร่วมกันที่นั่นกามนิ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 เ, าา ห, เนนหากอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วจักสมหวังไซวาสธีที่รักฉไห น, นเลยข้าจะหาเจ้าไม่พบเล่าไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกใดๆดแต่ขอเราจงหวังถึงชีวิตใหม่ของเราในโลกนี้เถิดอย่าเลยโลกนี้ทุกสิ่งหาความแน่นอนไม่ได้ แม้แต่ช่วเวลาที่เราพูดกันอยู่นี้ก็หาใช่ของเราไม่สวรร์จึงจะเป็นสิ่งที่จริงแท้สวรร์มีจริงๆรงเหรอสวรร์อยู่ไหนวาสิทธีสวรร์อันสว่างรุ่งเรืองไพ i า a นั้นอยู่ทางทิศตะวันตกผู้ใดรู้สึกเบื่อหน่ายในวิสัยโลกแล้วตั้งจิตเป็นสมาธิมุ่งแต่สถานอันเป็นบรมสุขก็จะได้ไปอุบัตในดอกบัว ก, กลางน้ำ อันศักดิ์สิทธ์บนแดนสวรรค์ทุกครั้งที่จิตคิดดีทุกครั้งที่ปฏิบัติดีดอกไม้ทิพนั้นก็เจริญงอกงามแต่ถ้าความคิดว่าจะและการกระทําเป็นไปนในทางชั่วดอกไม้ทิพนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปโดยเร็วว่าสิทถิชี้ไปบนท้องฟ้าที่มีทางช้างเผือกสว่างเป็นทางอยู่ดูสิ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 แล้วตัดใจกระโดดขึ้นหลังมา้าควบออกจากที่นั้นไปวาสตีค่าขอฝากพวกท่านช่วยดูแลวาสธีของข้าด้วยนะเมทินีโสมทัศน์สหายรักแล้วข้าจะรีบกลับมา กองเกวียนของกามนิตรอนแรมเดินทางจากโกสัมพีมาได้12วันก็มาถึงบริเวณหุบเขาที่ร่มรื่นและมีแม่น้ำลำน้อยใสยเย็นไหลผ่านซึ่งกามมนิตจำได้ดีว่าที่บริเวณนี้ได้เคยเดินทางผ่านในครั้งขามาด้วยความชื่นชอบในภูมิประเทศเขาจึงสั่งให้กองเกวียนหยุดพักแรมที่นี่ แม้ว่าเพิ่งจะเป็นเวลาเพียงเที่ยงวันก็ตามหลังจากได้ลงอาบน้ำในลำธารอย่างเบิกบานใจแล้วกาแมานิตก็ขึ้นมานอนเอนกายที่ใต้ต้นไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งเคลิ้มหลับไปวาสิธีวาสิธีนี่เจ้าจูงมือจะพาข้าไปที่ไหน เราไปสู่แดนสวรรค์ด้วยกันนะกามนิตสวรรค์หรือนี่คือแดนสวรรค์หรือว่าสถีกามนิตตกใจตื่นขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงเอะ อ, อึกกระทึกนั้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีคนถืออาวุธอยู่ทั่วบริเวณนั้น บ้างก็กําลังต่อสู้ไล่ฟันพวกบ่าวของเขานี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเป็นใครกันกลัวากามนิตรู้ได้ทันทีในบัตรนั้นว่าพวกโจรกําลังเข้าปล้นกองเกวียนของเขาแล้วจึงรีบคว้าดาบคู่กายแล้ววิ่งเข้าไปสมทบกับพวกบ่าวที่กลุ่มกองเกวียนที่จัดเป็นวงร้อมต้นไม้ใหญ่ไว้ข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวพวกมันรีบนี่ไง นี่น่ยทั้งสองฝ่ายเข้าฟาดฟันห้ามหันกันอย่างไม่กลัวเกรงพวกบ่าวของกรมมานิทเองนั้นก็ล้วนเคยฝึกดาบและเคยเจอเจอพวกโจรปล้นชิงกันมาแล้วทุกคนนี่เน่ยเสร็จข้าอีกหนึ่งละเข้ามาเลยพวกโจรบาทัานใดนั้นกามมานิทก็เห็นชายรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่ง ถือดาบเดินทื่อเข้ามาหาเขาอย่างไม่กลัวเกรงผู้ใดชายคนนั้นหน้าตาไว้หนวดเขา่ารุงรังดูน่ากลัวยิ่งนักขณะที่เขาเดินเข้ามาเบาวคนหนึ่งก็ได้เข้าสกัดขวางแต่ก็ถูกชายร่างใหญ่ฝันเอาจนตัวแทบขาดเมื่อยิ่งใกล้เข้ามากามนิธก็เห็นว่าที่คอของชายคนนั้น หาได้คล้องด้วยสร้อยประคำไหมแต่ว่าเป็นนิ้วหัวแม่มือของคนผูกร้อยเป็นพวงอยู่รอบคอฮะนี่นี่ จ, จอมเจอมอ้านุ่มผริมาณ น, นี่ตายจะต้องตายองคุริมานเดินมุ่งเข้ามาหมายชีวิตของกาแมนิด์ด้วยสีนหน้าที่โกรธแค้นจนเมื่อเข้ามาใกล้ถึงตัว เขาก็เงื้อดาบอันใหญ่โตขึ้นและฟันลงมาทันทีฮึอามนิตยกดาบขึ้นรับไว้แต่ก็ถูกองคุริมานฟันเข้าเต็มแรงจนดาบของกามนิตกระเด็นหลุดจากมือและตัวเขาเองก็ล้มลงนี่นี่จอมโจดุงคุริมานเราจะต้องตายแล้วละนี่ วาสิทีวาสิทีองค์คุลิมานเดินก้าวเข้ามายืนคร่อมร่างของกามนิตแล้วเงื้อดาบขึ้นอีกครั้งหมายที่คอของกามนิตเจ้าตายซะเถิดยะองคุลีมานยะทันใดนั้นเองก็ได้มีชายศีรษะโลนใบหน้าเกลี้ยงเกลาผิดโจรทั่วไปปราดเข้ามาคว้ามือขององค์คุลีมานเอาไว้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 จับมันมาตเไว้องคุลีมานให้ขับแขนใจยิ่งนักที่ไม่อาจฆ่ากามนิตให้สมแขนได้ดั่งใจจึงกระชากสร้อยแก้วตาเสือจากคอของกามนิธออกมาเพื่อระบายแขนกามนิตเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายแน่แล้วก็หันไปมองดูรอบๆบกายแต่แล้วก็ต้องให้เศร้าสลดใจเมื่อเห็นพวกบ่าวไพร่ ต่างผูกค่าล้มตายกันกลาดเกลื่อนเหลืออยู่เพียงโกลิดเบาคนสนิทของปีดาซึ่งถูกจับมัดมือไพร่หลังอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นพ่อแม่ลูกได้ทำเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงนะักลูกทำให้พวกบ่าวต้องมาล้มตายลงนี่เป็นเพราะลูกคนเดียวแท้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 แต่ก่อนที่เขาจะหลับตาลงเพื่อหนีภาพความจริงนั้นพลันเขาก็เห็นดอกอโศกสีแดงที่วาสิถีมอบไว้ให้แก่เขาหล่นอยู่ที่พื้นหญ้าและพวกโจนคนหนึ่งก็ได้เหยียบลงบนดอกไม้นั้นกามนิตฐ์ให้รู้สึกปวดราวราวกับได้ถูกโจนคนนั้นเหยียบย่ำลงตรงกลางดวงใจ วาสิธีโธวาสิถีพวกโจรต่างพากันรื้อคน้นทรัพย์สินตามกองเกวียนบ้างก็เชิดโคนนามาปิ้งย่างแจกจายกันอย่างสนุกสนานว่าจะสบพร้อมสมุนอีกสองคนรวมทั้งองคุรีมานนำตัวโกฤิผู้บบาวเดินตรงมายังเขาข้าจะปล่อยบาของเจ้ากลับไปบอกพ่อแม่ของเจ้า ว่าให้ส่งเงินมาถ่ายตัวเจ้าห้าสิบมืนกะหาปณะภนะายในเวลาหนึ่งเดือนหากได้มาไม่ครบจำนวนหรือช้าไปเพียงครึ่งวันเขาจะพาเจ้าไปสองท่อนและโยนศพเจ้าว่าให้บุคคนได้ดูได้เห็นกันตามทางเดินด้วยมือของข้าเองจำเอาไว้องคุรีมานเขียนตัวอักษรสอ ง, ส, องสามตัวลงบนใบลานแล้วยื่นให้วาดจศพ เจ้าจงถือไบลานขององค์คิมมานิติดตัวไว้ตลอดเวลามันจะช่วยให้เจ้าผ่านทางได้สะดวกหากฝากพวกโจรไม่ว่ากลุ่มใดก็ให้พวกมันดูไบลา น, นี้แล้วจะไม่มีใครขวางเจ้าหรือกระทั่งขากลับมาที่นี่ก็ให้เจ้านาเงินมาคนเดียวไบลา น, นี้จะเป็นใบผ่านทาง จะไม่มีใครกล้าชิงเงินบรรณการค่าไทยตัวขององค์กริ ม, มานที่เจ้าถือมาเจ้าจงรีบไปและรีบมาให้ทันกำหนดหนึ่งเดือนเพื่อรักษาชีวิตนายของเจ้าปล่อยมันไปได้โกลิบฝากบอกปิดามานดาของข้าด้วยว่าข้าปลอดภัยดีและข้าเสียใจยิ่งนักที่ทำให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะข้า นายท่านกามนิตฐ์ข้าจะรีบไปรีบมานายท่านรักษาตัวให้ดีนะขอรับข้าไปละนายท่านเมื่อพูดจบโกริศผู้บ่าวก็ออกวิ่งไปในทันทีแก้มัดให้มันซะพวกเราฉลองกันในเต็นที่ทันทีที่กามนิตฐ์ถูกแก้มัดเขาก็วิ่งล้นลานไปที่ลานหญ้าเพื่อหาดอกอโศกสีแดงของวาสิทธี แต่ทั่วทั้งบริเวณนั้นไม่มีแม้เศษกลีบดอกอโศกสีแดงสัดนิดให้เห็นอยู่เลยการมณิทนั่งรำพึงรำพันอยู่ที่ลานหญ้าแห่งนั้นโธัวาสิทธินี่ความสุขของสองเราจากสูญสิ้นแล้วหรือนี่ความสุขที่เราเคยมีที่ลานอาโศกจะไม่มีวันเช่นนั้นอีกแล้วหรือ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 ท่านจะทำผิดต่อเจ้าแม่กาลีหรือองค์ครีมานสัจจะของท่านที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่โจรทั่วไปนั้นฉะไหนเลยท่านจะฆ่าหนุ่มกามนิทผู้นี้ให้คนพากันสิ้นความเชื่อถือในสัจจสัญญาของท่านได้เล่าอดใจไว้ฆ่ามันตอนที่เบาเข้ามันัดไทยตัวไม่ทันตามกำหนดเวลาเถิดฮึมข้าจะรอวันนั้นข้าจะรอวันได้ข้าเจ้าฮี่ ข้าข้าต้องขอบคุณท่านว่าจะศพอีกครั้งที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าอย่าได้กลัวไปเลยกามนิพตามชะตาของเจ้านั้นเจ้าจะไม่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้หรอกหากแต่จะเป็นเคราะห์กรรมอย่างอื่นมากกว่าซึ่งยังคงอีกนานนักกามณิพเจ้าน่าเกิดในเลิกดาวโจรต่อไปเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจรเยี่ยงพวกข้าก็เป็นได้จริงรู้นี่ท่านว่าจะศพ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 เพราะอ้างอิงคำปราดซึ่งกามนิตเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ในฉบับของโจรนั้นแปลไปในทางส่งเสริมกิจการโจรให้รุ่งเรืองมุ่งหมายให้สมาชิกมีความเยี่ยมหารกระทำการด้วยความเชื่อมั่นว่านี่เป็นคันลองทำกามนิธเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกโจรจึงกระหายต่อการฆ่า และสามารถฆ่าผู้คนที่ไม่เคยรู้จักหรือเคยโกรธแค้นกันมาก่อนได้อย่างเลือดเย็นไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆได้เช่นนั้นมนุษย์เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนี่เองวาเล้ว้าเลวผู้ส่งมิจัยตัวกมามนิสแล้วไปพามันมาหาค่าที่นี่ เจ้ามาได้เร็วเกินคาดเขาหวังที่ยุิบัณคอนายของเจ้าอยู่แล้วเชียวพวกเจ้านับเงินบรัาการสิครบหรือไม่ครบทุกคนถ้าจอมโจรทางนั้นก็ปล่อยตัวการมณิษ์กลับไปได้ให้มันรีบไปให้พ้นสายตาข้าจัดคนของเราสี่คนตามไปส่งมันให้ถึงเมืองอุเชนีหากว่าพวกเจ้าสองคนได้รับอันตรายแม้เพียงนิด ไอ้สีคนนี้จะถูกฆ่าประหารด้วยมือของข้านี่คือสัจจะขององคุลิมานไปได้แล้วข้ากามนิธิขอขอบคุณในคำสัตมั่นสัญญาของท่านเ อ, อ่อแต่ว่าก่อนไปข้าอยากจะขอสร้อยแก้วตาเสือของข้าคืนจากท่านด้วยเถิดท่านองคุลิมานไม่ได้ขับปลนทุกอย่างของเจ้ามาแล้วเหลือเพียงชีวิตของเจ้านี่แหละที่บาของเจ้ามาไทยเอาไว้ได้ นิเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือึเจ้าไปเถิดกามนิทอย่าได้ห่วงสิ่งใดอีกเลยขอให้เจ้าเดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะแล้วเราอาจจะได้พบกันอีกบนเส้นทางสายมืดแห่งเจ้าแม่กาลีข้าจะไม่ลืมในความเมตตาของท่านที่มีต่อข้าเลยท่านว่ายศพ้าลาทลากกามนิต ได้รับอิสรภาพกลับมาสู่กรุงอุเชนีอีกวาระหนึ่งระหว่างนั้นแม้ว่าจิตใจของกามนิจจะร่ำหาวาสิทธีมากเพียงไรแต่เขาก็ไม่สามารถเดินทางไปพบได้เพราะบิดาก็ไม่ยอมให้บุตรชายเสี่ยงอันตรายรวมทั้งชีวิตบ่าวไพร่และทรัพย์สินไปได้อีกกระทั่งเวลาได้ผ่านไป วาสิทธิยอดรักของข้าต้นโศกได้บอกเจ้าหรือไม่ว่าใจข้านั้นได้ลอยไปอยู่เคียงข้างเจ้าที่กรุงโกสัมพีแล้ววาสิทธิเจ้าจงรับรู้ไว้เถิดนะวาสิทธินี่วาสิทธิลูกไม่เข้าใจหรือไงว่าพ่อและแม่นั้นหวังดีต่อลูกเพียงใดสาตาเคีย น, นั้นเขารักเจ้ามากนะัก และเขาก็เป็นชายหนุ่มที่เพียบพร้อมที่สุดในกรุงโกสัมพีของเราที่อยากจะหาใครเสมอเหมือนได้อีกแล้วท่านพ่อหยุดบังคับลูกเถิดอย่างไรเสียลูกก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้นลูกรักกามนิทเพียงคนเดียวลูกจะแต่งงานกับกามนิตเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วไหนล่ะกามนิทของเจ้านี่ก็ผ่านหน้าฝนไปนานแล้ว ไหนล่ะคนรักของเจ้าที่เจ้ามั่นใจในตัวเขานักอย่างไรลูกก็จะรอกามนิทได้โปรดเถิดท่านพ่ออย่าได้บังคับลูกอีกเลยลูกคงยอมตายถ้าให้ลูกต้องแต่งงานกับสาตาเคียนลูกยอมตายเอาละเอาละพ่อไม่ฝืนใจลูกแล้วละแต่ที่พ่อทำไปก็เพื่อลูกนั่นแหละ ลูกจะได้โกรธพ่อเลยนะ เ, ออเมทินีลุงฝากจะช่วยดูแลวาสิทธิ์ีด้วยนะค่ะท่านลุงท่านอย่าได้ห่วงเลยเมทินีนี่ก็เลยหน้าฝนมานานมากแล้วแต่ข้าไม่ได้ข่าวของการมณิต์เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นไรบ้าง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 สาตาเกียนได้นําตัวองค์คุริมานมาคุมขังไว้ที่กรุงโกสัมพีแล้วตนเองนั้นก็รีบนำสร้อยแก้วตาเสือไปให้บิดาของวาสิทธิดูและแจ้งเรื่องเท็จว่าการมณิสนั้นได้ถูกองค์ุริมานฆ่าตายเสียแล้วบิดาของวาสิทธิก็ได้แจ้งเรื่องร้ายนี้แก่บุตรี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 ข่าวร้ายยังไม่คลายไปสิ้นค่ำคืนหนึ่งขณะที่วาสิธีอยู่เพียงลำพังที่ลานอาโศกกามนิปานีท่านเป็นอย่างไรบ้างหนอท่านคงกำลังคิดถึงข้าและกำลังเดินทางมาหาข้าใช่ไหมกามนิตต้นอโศกจ๋ากามนิที่รักของข้า ก็สุขสบายดีใช่ไหมวะสิทธิลูกอยู่ที่นี่เองนี่แนละลูกรักพ่อเองก็ไม่อยากที่จะทำให้ลูกของพ่อต้องทุกข์ใจอีกหรอกนะแต่ว่าสาตาเคียนเขาพาองคุริมานมาพบลูกด้วย นี่ในวาสิทถิเจ้าจงฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของไอ้โจนป่านี้โอเองเถิดข้าจอมโจอนองค์คุลีมานข้าได้เคยดักป้นกองเปวียนของตาแมนิตและจับตัวมันเอาไว้ได้แต่ภายหลังเมื่อบ่าวของมันนําเงินมาไถ่ายตัวไม่ทันตามกําหนดข้าจึงสังหารมันเสียตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าแม่ตาลีข้าไม่มีวันเชื่อเจ้าหรอกก็ในเมื่อเจ้าก็าบอกเองว่า เจ้านั้นเป็นจอมโจรชะไหนเลยคำพูดของเจ้าจะเชื่อได้เช่นนั้นข้าโอคุลิมานขอขอกระทาสัจจะกริยาปฏิญาณต่อหน้าท่านข้าแต่เจ้าแม่กาลีผู้เป็นนายิกาของมหาโจรพระองค์พูดทรงนำขบัพเจ้าฝ่าอันตรายมาแล้วนับพันครั้งขอได้สดับคำของขบัตเจ้าอันว่าขบเจ้านี้ มิได้เคยงดเว้นการพีบูชาพระองค์มิได้ประพฤติตอนผิดแผกไปจากกฎซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้ดังนี้เป็นความจริงปานใดที่ขพเจ้าได้จัดการแก่การมนิศตามกฎของเราที่ได้กําหนดไปคือถ้าข้าไทยไม่มาตามกําหนดเวลาก็ต้องจัดการกับนักโทษโดยพาแล่งตลอดลําตัวแล้วทิ้งไว้ในญ่านคนเดินขอให้พระองค์ซึ่งเสด็จมาอยู่ใกล้ขพเจ้า ขณะที่ได้รับความเดือดล้อนสาหัสอยู่นี้จงได้กระชากโซ่ตรวนที่ร้อยลัดขบะเจ้าบรรดาให้ขบะเจ้าหลุดจากเครื่องพนาันาการของศัตรูโดยประจักษ์ในความจริงด้วยเถินอุยยาพอสิ้นเสียงการกระทำสัจากกิริยาองค์กุริมานก็สะบัดตัวกระชากโซ่ตรวนจนขาด แล้วกระโดดลงจากลานอโศกหนีไปว่าสิทธทีเมื่อเห็นสัจจกิริยาสำเร็จผลดังนั้นก็ให้หมดความสงสัยและหมดหวังในความรักลงทันทีกามนิยายท่านมาดูดจากข้าไปกามนิ ใหญ่ท่านมาด่วนจากข้าวาสิทธรู้สึกหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งแต่ก่อนที่นางจะเป็นลมสิ้นสติลงนางเห็นภาพของกามนิตล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านางจึงหวังเพียงว่าจะได้พบกับคู่รัก ที่แดนสวรรค์ในชีวิตหน้าหลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นผ่านมาได้ไม่นานก็มีข่าวว่าองคุริมานถูกจับตัวได้ และถูกทรมานตายลงในคุกศีรษะได้ถูกตัดเสียประจานไว้ที่ประตูด้านทิศตะวันออกข่าวนี้ได้แพร่ลือไปถึงกรุงอุเช น, ทนีท่านพ่อท่านพ่อจอมจนคุคลี ม, มานถูกฆ่าตายแล้วท่านพ่ออะไรกันอะไรกันใครเป็นใครตายกันเจ้าถึงได้ยิ้มรื่นเข้ามาหาพ่ออย่างนี้ องคุริมานท่านพ่อองค์คุริมานถุประเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีจับตัดหัวแ ล, ะละ้วล่ะท่านพ่อจริงหรือนีจริงขอรับท่านพ่อตอนนี้ข่าวสัพพัฒไปทั่วแล้วถ้าเช่นนั้นที่เจ้าดีใจรีบมาหาพ่อแต่เช้านี้ก็คงเรื่องจะขอหนํากองเวียนไปกรุงโกสัมพีอีกกละสิใช่ไหมกามันิตใช่แล้วขอรับท่านพ่อ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 พ่อเห็นเจ้านอนป่วยอยู่มีใช่หรึลูกหายดีแล้วท่านพ่อเจ้านี่ดื้อจริงๆไปพักผ่อนเสียก่อนเถิดลูกรักไว้แล้วเราค่อยมาหาหรือเรื่องนี้กันอีกทีลูกหายดีแล้วขอรับเดี๋ยวลูกจะออกไปสอบถามข่าวแล้วก็จะไปตรวจดูสินค้าต่างๆในตลาดด้วยจงอย่าลืมว่าเจ้านั้นป่วยนะกมามัิตย์อย่าลืมที่จะคอยดูแลพักผ่อนร่างกายล่ะ ขอรับท่านพ่อลูกไปละ ว, วาสิทธิลูกออกไปพบสาตาเคียนเขาสักหน่อยไม่ได้เลอลูกขณะนี้สาตาเคียนเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนนะักพ่อและแม่ก็ลำบากใจจริงๆลูกเอ้ยแต่ลูกไม่ได้เคยมีใจต่อเขาเลยสักนิดเดียวท่านพ่อ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 เรื่องจุดประสงค์ที่เจ้าต้องการไปกุงโกสัมปีพ่อก็เห็นใจเจ้าแต่เจ้าฟังคำพ่อให้ดีนะถ้าสาวน้อยคนนั้นเขารักเจ้าจริงอย่างไรเสียเขาก็ต้องรอเจ้าเจ้านอนพักผ่อนรักษาตัวจนหายเมื่อไรเจ้าก็จะได้ไปเมื่อนั้นใจเย็นๆเถิดลูกรักเชื่อพ่อเถอะพักผ่อนซะ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 เมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านประธานบนตรีมาข้าก็เห็นท่านพ่อท่านแม่นั่งร้องไห้ข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นท่านทั้งสองต้องทุกข์ใจเพราะข้าไม่ได้เจ้านั้นคิดดีทำดียิ่งแล้ววาสิทธิป่านี้กามนิศคงเฝ้ามองข้าอยู่บนสวรรค์เขาคงเศร้าเสียใจเพราะข้า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 ข้าเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีมาครู่นี้เองนึกแล้วเชียวนี่หละงานวิวาลยิ่งใหญ่ของท่านสาตะเคียนผู้จิตปราบจอมจนองค์ุลีมานยังไงหละ่ะและว้วกายังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านประธานมนณีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีแห่งนี้ด้วยนะฮะ่านี่สาตะเคียนเข้าวิวาลซะแ ล, แล้วนี่เช่นนั้นความรักของข้าก็ไรอุปสรรคซะแล้วสิะจะว่าอะไรนะ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 ยังอดชื่นชมในฝีมือไม่ได้ในกูกช้างซึ่งบุกด้วยผ้าตาดสีม่วงมีเจ้าสาวนั่งก้มหน้าแนบอยู่กับอกกายก็โอนเอ็นไปมาตามก้าวย่างของช้างและดูราวไร้ชีวิตจิตใจ ย, ยิ่งนะักดูนั่นสิยายเจ้าสาวถึงดูเศร้าหมองนักนะนั่นนะซิ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 แท้จริงแล้วก็คือวาสถีคนรักของเขานั่นเองคนรักที่เคยร่วมปฏิญญาสัญญารักต่อกันไว้เขาจึงไม่อาจทนสภาพรับต่อเหตุการณ์ที่บาดหัวใจเช่นนี้ได้จึงล้มทั้งยืนลงไปกองกับพื้นแห่งนั้นเจ้านมเจ้านมเป็นอย่างไรบ้างดูสิตาค้างเชียวนายท่านนายท่านกามนิ์ นี่นี่นายของข้าเองปล่อยให้ข้าดูแลเขาเถอะกามมนิตมีอาการแน่นิ่งในตามเมื่อลอยไม่รับรู้ต่อเรื่องราวใดๆและไม่ตอบสนองต่อคำถามของผู้ใด ท, ทั้งสิ้นแต่แต่ลำพึงอยู่ภายในใจเพียงคนเดียวปล่อยให้พวกเบาพากันอุ้มร่างของเขาออกไปจากบริเวณนั้น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 เวลาผ่านไปจนใกล้ค่ำพวกเบาวจึงปรึกษากันว่าจะไปแจ้งข่าวของกรรมนิ์ให้แก่โสมทั์พวกเจ้าคอยเฝ้าดูแลนายท่านอยู่ที่นี่นะข้าจะไปแจ้งข่าวแก่ท่านโสมทัตก่อนโกลิศเจ้าไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปแจ้งข่าวเรื่องของข้าให้แก่ใครผู้ใดทั้งสิ้นฟังข้านะ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 กาแมนิทเขาไม่นางเขาไม่ได้อยู่บนแดนสวรรค์นั้นหรอกองค์ุรีมานนี่เจ้าเจ้ า, ย, า, า, ย, นานยังไม่ตายถูกแล้วแม่นางข้ายังไม่ตายและกาแมนิทก็ยังไม่ตายข้าเป็นคนปล่อยเขากับกุงอุเชนีไปเองนี่นี่เจ้าจะมาลุกไหมเรื่องในกับข้าอีกแล้วที่เจ้าพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าไม่เข้าใจเบาวของกาแมนิทได้ น, นําเงินมาถ่ายตัวเขา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 เราจะให้สันติสุขแก่เจ้าจึงจะเป็นการถูกต้องครั้งนี้เจ้าสาบา a เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเจ้าปฏิ ญ, ญาณหลอกลวงสตรีด้วยสัจจะกิริยาฮ่าชในนะักบวดผู้นี้จึงล่วงรู้เรื่องที่เป็นความลับของข้าได้ถ่าทานจะมีวิชาคมเก่งกล้านักแต่เอ๊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 เราก็ควรจะไปเยี่ยมกลายดูว่าในเวลานี้ว่าชะศพเขาเสวยผลความเป็นอารหันอย่างไรบ้างไปเยี่ยมท่านว่าชะศเราจะไปได้อย่างไรกันเจ้ายืนมือมาเราจะเข้าฌานให้ภาพปรากฏแกด่ดวงจิแล้วสิ่งที่เราเห็นเจ้าก็จะได้เห็นด้วย องค์ุริมานยื่นมือออกไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าชานครั้นแล้วองค์ุริมานก็รู้สึกเหมือนว่าถูกดึงลงไปในห่วงเหวลึกมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคล้ายถ้ามหือมามืดมิดมีแสงวูบว่บและเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นพอสายตาเริ่มชินก็เห็นว่ามีหอกมากมาย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 ควบคุมทั้งสองก็ซัดหอกเข้าร่างวาจะศพแล้วบรรดาหอกที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวก็พุ่งเข้าเสียบทั่วร่างเป็นชุลมุนโงงนกปากเหล็กที่บินว่อนอยู่ก็ร่อนลงมาจิกว่าจะศพร้องโหยหวนหน้าสยดสยองและหน้าเวทนายิ่งนักองคุลิมานเห็นแล้วทั้งกลัวทั้งสงสารวาจสศพจนถึงกับหมดสติไป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 เดโปรประธานาภัยให้แกสัตว์ที่โง่เขายิ่งข้าดเทิเป็นบุญคอนข้าอย่งนักที่พระองค์เสด็จมาโปรด ส, สัตว์ยิ่งข้าโอ้ท่านประาศาสดาข้านี้ขอถวายตนเป็นสาวกของท่านพ่อตกเวลาค่ำองคุริมานก็มาที่ลานปราสาทของสาตาเคียนตามนัดหมายกับวาสิถีข้าได้เลิกล้มความคิดที่จะกาจัดสาตะเคียนแล้วหลั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 อาการกิริยาของวาสิธีนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองดูอยู่เมื่อวาสิธีแต่รับประธานอนุญาตให้นำเครื่องสการะเข้าไปถวายพระองค์ก็ตรัสแก่วาสิธีดูก่อนนางผู้เจริญสิ่งของที่นำมาบูชานี้อุดมยิ่งนัก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 อย่างที่เราแจ้งอยู่ไซแม้มีข้าวเหลืออยู่ฝายมือเดียวก็ยอมแบ่งปันแก่ผู้ที่อัตคัดกว่าหาได้บริโภคทั้งหมดแต่คนเดียวไม่เมื่อรู้แจ้งและประพฤติอย่างนี้เป็นอาจิณความตรณีที่รัดจึงจิตก็จะคลายหายไปเพราะฉะนั้นเครื่องสการะที่นำมาบูชานี้คณะสง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 ทรงรำพึงว่าถ้าเราจากบรนดานแสงสว่างสักน้อยฉายเข้าไปทำลายความมืดมนในช้างนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสว่างทวีขึ้นโดยลาดับจนมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และได้สดกบพระธรรมก็จะช่วยให้มันพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงทำให้ช้างมีอาการสงบด้วยพระเมตตาธรรม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 ท่านมีเรื่องอันใดหรือจงค่อยๆสงบใจของท่านแล้วลองเล่าให้แก่ข้าก็ก็ไอโจรชั่วองค์ุลิมานนะสิมันยังไม่ตายและออกอาราวาสหนักจนความทราบถึงพระราชาพระองค์ทรงพิโรธมากรับสั่งให้ข้านั้นไปจับกลุ่มองค์คุลิมานให้ได้ในสามวันหาไม่ข้าจะมีโทษทันสถานหนักทีเดียวข้านั้นรู้เรื่องขององค์คุลิมานดี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 เมื่อขบวนเสด็จย่าตรากลับไปแล้ววาสิทธิจึงยังคงอยู่ในที่นั้นและปวดเป็นภิกษุณีในวันรุ่งขึ้น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 ที่นนมัมมควาุกเท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะเท่านั้นพอเหมาะแล้วเมื่อข้าพระองค์เข้าใจในพระอว่านี้ดีแล้วจะประทานอนุญาตให้จาริกไปเฝ้าเพื่อรับพระอวาสสูงขึ้นไปอีกได้หรือไม่พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าจําเป็นก็อนุญาต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 แม้ว่าโดยหนทางนั้นต้องผ่านด้วยจำนวนนับพันพบพันชาติข้าพระองค์ก็จะนม่ยออ่อท้อดีแล้ววาสิถีจงตั้งจิตพิจารณาบทธรรมะนั้นให้จงดีภิกษุณีวาสิถีให้รู้สึกน้อยใจว่า